วันนี้เป็นวันที่สองของการเจริญกรรมฐานเมื่อคืนนี้เราคุยกันเรื่องอาช น, นะแดนเทวดามื่คืนนี้ใครลุกแดนเทวดาเลยบ้างมีเปล่ามว่าเอาช น, นะแดนเทวดาหมายความว่าท่านบอกว่าบุคคลใดเจริญกรรมฐานจะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ตาม ถ้าจิตเข้าถึงปีติเมื่อตายจากความเป็น่คนจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ได้ได้ทุกชั้นะนะคำว่าปีติตแปวความอิ่ใจจะสังเกตได้จากการบ้างจากความรู้สึกของใจบ้างถ้าจะสังเกตร า, าการกระใหม่ความว่าอาการของปตีติจะมีห้าอย่างข้อที่หนึ่งขนพองสยองกล่าว มันหมายความถ้เริ่มภาวนาก็ดีใจเรียบหใจงหสงบก็ตามอาการขนลุกสู้ซาจะปรากฏขึ้นอันนี้แบอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลเมื่อเราทำกรรมฐานมีสมาธิเข้าถึงปีกีอาการเขาปีกีที่สองจะมีน้ำตาไหลออกมา หรือมิฉะนั้นไปเจอใครพูดชอบใจขใึ้นมาก็ําตาไหลห้ามไม่ได้อันนี้อาการที่สองปีติ <c oughs> อาการที่สามก็ปีติเมื่อจิตเข้าถึงปีติความอิ่มใจร่างกายโยกโร่นั่งแล้วก็โยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลังอันนี้มีคนมาถามไม่บ่อยอาการโยกอย่างนี้ลําไคเต็งจะลาไคลคนอื่นของเขา แต่ความจริงถ้าเข้าถึงปีติดจุดนี้ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเป็นเรื่องสังเกตการที่สี่มีการเต้นไข้ตกพระตกของไม่ไม่จะน่ต่อมการลอยลมอากาศแบกกายงปีติดเหมือนกันการที่ห้ามีมีการสู้ซาในใจอันแรกจะมีความรู้สึกว่าร่างกายจะสูงขึ้นน่าจะมีความใหญ่รู้สึกว่าใหญ่มาก แล้วยังมีความรู้สึกคล้ายๆลมไหลเจ้าร่างกายลมแรงไหลออกต่อไปจะจะมีไม่มีความรู้สึกมีร่างกายมีอาการปวงหมดจะมีความรู้สึกมีเฉพาะหน้า <c oughs> เฉพาะตั้งแต่คอยไปมีความรู้สึกมีอยู่แต่ใหญ่มากทั้งอาการทั้งหมดนี้ในเมื่อจิตเข้าถึงจติตสงบดีมีความทุ่มขึ้นของจิตเชียนี้จะเรียกว่าปีติ ถ้าจิตเข้าในสู่ในห่วงพัีจีจะเรียกวุปจาระสมาธิในราการนิพันธ์นะแต่ว่าสำหรับอาการของฟรีจนะีก็ไม่แน่นะักบางคนก็ไม่ผ่านบางรายถ้าปรัชนาพุทธภูมิจะผ่านทุกอย่างแต่ว่าวปรัชนาพุทภูมิไม่แน่นอนนะักบางคนก็ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ช้านักบางรายจะไม่มีความรู้สึกในาการห้าอย่างนี้เลย แต่ก็ต้องสังเกตสังเกตว่าการเจริญสมาธิกบฎาท่านพุทธวิเัษคนนั้นจะมีความทุ่มชื่นจะมีความเอิบอิ่มไม่อยากเลิกทํากรรมฐานเพลินแต่ตอนพอ น, นี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าเพลินเกินไปหลับนอนน้อยพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นโรคสมองขาดใจจะให้การเจริญกรรมฐานเพลินกบฎาท่านพุทธริเัษก็ต้องระวัง รวมความว่าท่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยากจะทราบวาอุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกอาการอย่างไรก็ขอตอบว่าหนึ่งขนขนฟองสยองกร้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายยกโลงสตัวลอยมือากาศ 5. มีการทราบต่านทางทางกายอาการ5้าอย่างอย่างนี้ไม่มีกับใครคนใด็เหมือนก็ตามมิเหมือนกัน เขาไม่สับปดก็ต้องรู้กำลังใจทุ่มทื่นไหมเวลาเจริญสมาธิจิตใจสบายไม่อยากเลิกตัวนี้เป็นขั้นเข้าขั้นปีนติในการอุปจารสมาธิสร <c oughs> วมความว่าท่านผู้ใดถ้าเจริญกรรมฐานเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นตัวนำท่านผู้นั้นตายจากความเป็นคน ยังเลือกเกิดเปนสวรรค์ที่ามาจัลกลามาลามาประจอได้ตามชอบใจดีไหมดีนะยังมีบุญได้น้อยก็ยทับบุญให้ทานทัญญ้งการสวายักงาถาเนืองน้อยเนี่ยตายจากก่ามเป็นคนเทวดาก็มีนางฟ้าบริวารหนึ่งพันคนระวังนะคนเยียมยังแย่น ะ, <c oughs> ะแล้วก็สำหรับยากโยมเมื่อคืนอาจจะได้มาก็มีนะ <c oughs> ถ้าถามว่าจะทปนยังไงต้องถึงปีติได้ปีติจะถึงชารือถึงเร็วอันนี้ก็ถ้าถึงชาถึงเร็วนี้ตอบไม่ได้โยมมันขึ้นกับกําลังใจต้องบุกคลพวกนั้นแต่จริงๆปีติจะขึ้นได้ก็จากการตั้งใจจริงในการเรียนพระกัรมฐานอันดับแรกก็บรรตาแต่พุทธริสัตยาวัยใจเรื่องศีล การคิดว่าเราเป็นผู้ไม่บกต้องในศินทางที่ดีก่อนจะริยกรรมฐานสมาทานสินที่ก่อนด้วยความเคารพเวลาสมาทานใหญ่สมาทานสั ก, กวันสมาทานตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพจริงๆถ้าบัเอิญสินบกต้องไปบ้างเวลานั้นจะสมบูรณ์สินจะสมบูรณ์เพราะว่าสินด้านดับแรกในการจเจริญสมาธิถ้าสินบกพรองสมาธิไม่เกิด ต่อแปลนดับิีสองก็พปายามนะ ง, งับนิวนรณ์ห้าประการนิวนรณ์ห้าประการนี่เป็นตัวร้ายกาศมากถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข้าสิงใจเวลานั้นสมาธิจะไม่ท่งตัวจะพูดจับภาษาทับไบคณิวาจิตไม่เป็นสมาธิจริง <c oughs> นิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้าม น่จะเพาะเวลาจเจริญกรรมฐานนั้นเลิกแล้วไม่เป็นไรก่อนจเจริญก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่ได้อนาคามีต้องมีอารมณ์นี้ไปจำใจแต่เท่าว่าเวลาที่จะเจริญกรรมฐานต้องหยุดอารมณ์นิดหน่อยชั่วคราวคือหนึ่งไม่สนใจในเรื่องของเพศตรงกันข้ามข้อที่สองระ ง, งับความโกรธความเยีบาทจองล้างจองฐานชั่วคราวข้อที่สามระวังไม่ความวง่นเกิดขึ้น ก็อด้สีคุมอารมณ์เฉพาะใหญ่พุ้งซ่านเกินไปเราจะภาวนาไว้อย่างไงต้องภาวนาไวอย่างนั้นตามไม่ตั้งใจไว้และการรู้ลมหายใจก็ออกด้วยแลวก้อห้าไม่สงสัยผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตเขาวันดาเป็นพุทธบริษัทมีวรจะกั้นความดีเรื่องแส้การสมาธิจะไม่ส่งตัวไม่เกิดขึ้น ในเวลาที่ท่านต้ อ, องการาจะจ้งท่านเข้าถึงปีจีทุปปจารสมาธิทา่ชันก็ตามอันดับแรกจงอย่านสนใจในิวอน์ถ้าถามว่าถ้าจะตัดนิวรณ์ยังไงจะหมดจะได้หมดกังวลก็ต้องขอตอบว่าทว่าท่านยังไม่เป็นนาคามีท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะตัดนิวรได้เลย ถ้านายคารมีแต่ตัดทีวอนได้สองข้อเท่ น, นั้นนะข้อหนึ่งก็ข้อสองอีกสามข้อต้องพระอรหันต์ฉะนั้นการตัดทีวอนเราก็ไม่ต้องสนใจสนใจที่เพียงว่ายับยั้งใจไม่ไม่ให้ไปยุ่งกับที่วันซู่คราวเฉพาะเวลาเจริญกรรมาฐานวิธีที่ยับยั้งใจจะไงก็ตั้งใจรู้รลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าตั้งใจรู้เวลานี้ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกก็ว่าดมให้ใจออกถ้าจะให้ราเใจกว่านนั่งเอาอย่างนี้ตามมหาสิจารณสูตรให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรสั้นก็รู้ด้วยขณะใดทีด่จิตรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นถือว่าจิตมีบอลไม่เข้ามาควบคุมจิตได้ถ้ามีคำบารนาก็ใช้คำบรรณาควบคู่กับดมให้ใจ ขณนะไดที่รู้ลมหาใจเข้าด้วยหาใจออกดยรู้คามโนนาด้วยเวลานั้นจิตก็มีสมาธิแต่ก็การปฏิบัติครมรนาท่นานพุทธบริษัทจะต้องไม่ลืมคำแนะนำของสมเด็จรตสามารพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศกันแรกกับปัญญวัีหรือสีทตั้งห้าคือท่านโกนัญญาท่านวัปปะท่นะานัยะมหานามและอศัศจิ ่านนรแรกจะทมาจากพุทธเจ้าส่วนตัดว่าพิกเกเวดูก่อนที่สุทันไลเธอทั้งหลายจาละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งการมสุธนิกายนิโยมสองอัตตคิริสฐานิโยมถ้าส่วนสุดสองอย่างนี้ถ้ามีในหลงพระเพือเมื่อไรก็เธอทั้งหลายจะไม่มีโอกาสเป็นบรรลุมรคลต้องใช้การปฏิบัติเป็นมัชชี ม, มาปฏิบัติกา ข้อนี้บรรดาญาโยมพุทธบุตรจต้องจำและต้องปฏิบัติตามคำว่าอัตตะคือประธานยกแต่หมายความปฏิบัติเครียดเกินไปซึ่งเกินไปเร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่มีผลถ้าอรมณเครียดตั้งใจมากเกินไปอย่างนี้ไม่มีผลแต่การในสองการสุการิการนิโยกคือย่อดย่อนเกินไปคืออยากได้เวลาภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาก็ตามอยากจะเป็น อยากจะไปพูดทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่ส่อยากจะเป็นพระโสดาภิธาคาานาคารหันอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอารมณ์อยากอย่างนี้มีอยู่อย่างนั้นยอดอย่างอีจิตโป้งไส้เปล่ไปไม่มีผลต้องใช้อารมณ์มัจิมาปฏิปทาคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คำภาวนาแ บ, บ, สบา่สบายสบายถ้าเกิดอารมณ์เครียดถ้าเราไม่สามารถจะยับยั้งได้เราก็เลิกเสียอย่าฝืนทาต่อไป ทำไปอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานบรรดาญาโยมพุทธบรตรสตริก็เข้าถึงอุปจาระสมาธิถ้าเราจะสึกเก่งง่ายๆถ้าอาการทั้งหยอย่างไม่ปรากฏก <c oughs> ็ดูว่าขนาดทีเจริญกรรมฐานมีความเบื่อไหมถ้าเราไม่เบื่อในการเจริญพระกรรมฐานอย่างใดจะหนึ่งก็ตามและเวลาที่ทำกรรมฐานจริงๆมีจิตใจทุ่มชื่นไม่อยากจะเลิก ก็มีความเพลิดเพลินเวลานั้นจิตใจของบรรดาเจ้าพพุทธบริษัทเข้าถึงองุปจารสมาธิแล้วกําลังจิตเพียงเท่านี้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทตามวิสุธินักจะบอกว่าถ้าตายจากความเป็นคนจะเลือกเทวดาชั้นไหนก็ได้จิตอยู่เรื่องสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะเข้าได้ไหมนี่ตาโอบรรดาญายโยมพุทธบริษัทมีกําลังใจทรงถึงปีติ เกิดผิวว่าท่านชนะดินแดงเขาสวรรค์เหิงกา ม, ามาจรแล้วไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวเลยถามว่าลอ่อแล้วถามว่าไหวจะไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็นั่งแบบนี้ไม่ได้ถ้ากําลังปีติไม่มีนะที่บรรดาญาโยมวัตถบริษัท ต, ตั้งใจมาเชิญกรรมฐานด้วยความจริงใจเป็นไมจะว่าท่านที่มาใหม่อยากมาดูนี่คนละเรื่องนะ ท่า น, นี่ตั้งใจได้ออมามาด้วยความจริงใจนี่ปีติมันเป็นอยู่แล้วนะถ้าปีติไม่มีนะปีติก็แปลาความอิงใจถ้าไม่มีไม่มีในธรรมความอิงใจในธรรมมันมีไม่สามารถนั่งได้แสดงความว่าทุกคนเนี่ยมีปีติอยู่แล้วนี่ดินใดเขาข้ามาวาจรสวรรค์ราชนะแล้วแล้วก็อย่าเผลอนะดินใดกาม ว, าวาจรมันมีร่อง <c oughs> ถ้าเผลอเหยียบไม้ปุกมันหล่นลงนรกไปเลย ยายคิดว่าเราดีแล้วเราทรงตัวดีแล้วชนะแล้วไม่ได้ถ้าไปเรื่องของชานโลกีนี่ประมาทได้เลยเพราะว่าจะมีอารมณ์เผลอวันนี้ก็อยาขอพูดถึงดินแดนของลมเห็นไหมนี่เราตีบุกกระเบื้องกามาไปจอนอะไรมาลมอยู่แค่นั่งแยแกตียึดให้ได้วันนี้ถ้ายึดลมไม่ได้ยึดตรกมก์ไได้เฮ้ยยัไงไมีหวัง เรือว่าการปฏิบัติเพื่อถึงพรหมพรหมนี่ต้องถึงฌานถือว่าการมาจวจรสวรรค์นั้นไม่ถึงฌานแค่เฉียดฌานอุปจารสมาธิเขาเฉียดฌานใกล้ฌานแต่ถ้าถึงพรหมต้องถึงฌานความจรงิงอุเจ้ารเดน ด, น ด, น ด, นดนินแดนสวรรค์นี่เขาเท่าถึงฌานก็มีแต่ว่าถ้าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายไม่มีสิทไปถึงพรม ต้องอยู่สวรรค์ให้กามาวาจรก่อนถ้าอยู่ในสวรรค์ให้กามาวาจรจนหมดเขตอายุที่ต้องพึงอยู่เมื่อหมดเขตแล้วจุดติจากสวรรค์ให้กามาวาจรก็ไปต่อที่ขมเนะีเพราะว่าถึงสวรรค์กําลังชัยก็เข้าทรงตัวตามโหตมดติจะไปไม่ได้ทีต่อไปแล้วว่าถึงขมตรงตรงก็ปฏิบัติแบบเดียวกับกามา ว, าวาจรสวรรค์ อันดับแรกปัญญาเต็มพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาเพราะกรรมฐานต้องใช้ด้งนศีลสมาธิปัญญาความจริงให้ใช้ปัญญาก่อนถ้าไม่ใช้ปัญญาก่อนไม่เข้าถึงความจริงก็งมาถ่ายกันแน่การใช้ปัญญาและปัญญาตามนี้เที่ยวคิดตามความไปจริงว่ากายเกิดมันเป็นทุกข์เราเกิดเป็นคนในความจริงไม่มีความสุขไม่ใช่ความทุกข์อย่างเดียว ก็ลืมตาก็มากล็ลำคาญหน้าไม่ร่างหน้าก็อนลำคาญไม่แปลงไปกล็ลำคาญไอเทีย น, นี้ปวดทุกข์ในความหิวเกิดขึ้นก็ทุกการปวดุจาระปัสสาวะก็ทุกการประอกอบกิจการงานเหนื่อยยากก็ทุกขความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกความราถนาไม่เคยสมหวังก็ทุกการพัดพลาในของรักของชอบใจก็ทุกความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ในการเกิดเป็นคนหรือจะเกิดชาติไหนมันไม่มีทุกข์ที่มันมี้มี ในเมื่อมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่คนรจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกดินแดนที่พ้นจากความทุกข์จริงๆก็คือพระนิพพานที่ตันงร์ที่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะค่อยๆก้าวเข้าไปสู่พร น, นิพพานจะไม่ยอมถอยหลังถึงแ ม, ม้ว่าจะไปชาติก็ไม่ยอมพลัดกลับกลัมาหลังจากนั้นก็ตั้งใจภาวนานแล้วรู้ลมไม่ใจเขออกตัวการที่จนะนิพพานได้ก็คือหนึ่งสมาธิ ทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นศัตรูถ้าจิตเราจะไปพบนิวรณ์ได้โจรการาก็ต้องใช้ลมให้ใจเข้าออกช่วยที่เรียกว่านาปาุก ต, ติกรรมฐานให้ใจเข้ารู้อยู่ใจเข้าใ จ, าใจออกรู้อยู่ใจออกแล้วคำภาวนาควบคู่กัไปถ้าทำใจอย่างนี้ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งก็ถือว่าเราเข้าขีดจมแล้ว ตอ น, นอาการว่าฌานหนึ่งวันนี้ทั้งขอพูดตำหลักวิชาหน่อยญาติโยมผบริษัทธ์ความจริงหลักวิชามาลังคาเนะี่ยถ้าไม่พูดก็ไม่ได้คือตามหลักวิชาต้องมีความเข้าใจว่าฌานที่หนึ่งเนี่ยมีอาการยังไงบ้างไม่ใช่เราจะเดากันว่าอิจฉานที่หนึ่งที่สอ ง, สองที่สามที่สี่ก็มีกฎมีข้าบังคับฌานที่หนึ่งมีอารมณ์ห้าคือวิตกวิจาร ปติสุขเอกคตามิตกืออารมณ์นึกนิจารย์จะรมณ์ไข้ควรคือใส่ตรอปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสุขยอดเยี่ยมเอกคตาเมียลมเป็นหนึ่งเราจะสงเกตได้คําว่ามิตกกับไว้ความว่าเรานึกว่าเราจะภาวนานึกว่าจะรู้ลมหายใจเขาออกอันนี้เึงนมิตก พอถึงคําว่าวิจาร์ไม่จะหมายความเวลานี้เรารู้เราภาวนาอยู่เราภาวนาปิดจะถูกห้ใจเข้าและวใจหายใจออกเรารู้อยู่หาใจเข้าออยาวแล้วสั้นหายใจออกยาวแล้วสั้นเราทราบอยู่ยนี่เป็นวิจาร์ต้องควบคู่ไปเป็นดับเบิ้ลต้นต่อไปถ้าจิตเรียบเมรุสงบปีติคือความอิ่มใจก็เกิด ในเมื่อปีจีเกิดจะมีอารมณ์แปลกคือมีความทุ่มชื่นมีจิต ม, มีมีจิตเยือกเย็ยนไม่อยากเลิกต่อจะนั่นไปก็ยังมีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่เคยพบมาเลยนั่นแหละเกิดสุขมากโยอดเย็นยมจงๆหลังจากนั้นก็ยังมีเอกตาลมคำว่ า, าเอกตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งนั่นหมายความเราตั้งใจภาวนาว่าอย่างไรจะทรงอารมณ์นั้นอยู่ แล้วตั้งใจจักภาพตระสินแบบใดเป็หนึ่งอารมณ์มันจะทรงตัวอยู่ไม่เคลื่อนไปไหนแต่การอย่างนี้ถ้าได้ใหม่ๆจะไม่นานนักไม่ชาจิตก็เคลื่อนโลงถึงแม้ว่าจะทรงตัวแบบนี้ได้สัตตีสัตติก็ธรรมดาแใ่พุทธบริษัทควรจะดีใจว่าเราเข้าถึงชาดิหนึ่งเริ่มเข้าวิชาดิหนึ่งอันนี้แปลการข้อนชาดิหนึ่งเนี่ยชาดิหนึ่งยังมีคำภาวนารู่ลมใจเขาออก แล้วต่อมาชานที่สองชานที่สองนี่มีองค์สามคือตัดวิตกวิจาาณทิ้งไปแล้วปีติสุเอกราตาคำว่าตัดที่เราไม่ได้ตัดเองในบรรดาญาโยมนะอารมณ์ตัดคำว่ารมณตัดคหมายความทีแรกเราเริ่มต้นขอโทษพอดีพูดลาดไม่ไม่ท่าขาดไปนิดหนึ่ง ตัดมีตัววิจัยก็หมายความตัดการนึกถึงการภาวนาเรื่องลมที่ลมหายใจเขาออกด้วยการค่อยๆภาวานานลงไายใจเขาออกถูกต้องไหมอันดับแรกต้องทําตามเดิมพอจิตละเอียดเข้าถึงฌานที่สองที่เทวทุตียาฌานในตอนนี้จะรู้คำภาวนาจะหายไป เรียกว่าภาวนาเนี่ยหายไปวิต ก, ก็ไม่มีวิจัยก็ไม่มีสมัยกว่ากล้านึกว่าจะภาวนาก็มันมีรู้ภาวนาก็ไม่มีกายภาวน า, น า, วนานทั้งสองอย่างทั้งรู้ทั้งภาวนานหายไปเลยจิตสงบเฉยแต่ว่าเรามีความชุ่มชื่นมากมีความอืดอๆมีความาสุขเป็นสุดจิตทงตัวดีมากแต่กายเขาทานที่สองเขามาถึงบรรดาแต่พุทธบริษัทในตอนต้นยังไม่เข้าใจ พอจิตตกมาธิปาัารละสมาธิอาจจะรู้สึกว่านี่เราเผลอไปแล้วหลับไปให้สัเกตได้ว่าถ้ามีความทุ่มทื่นเออบ่มปกติแล้วก็ไม่มีคำบรรณาอย่างนี้เป็อเวลาที่เป็นการทานที่สองแล้วก็สำหรับทานที่สามทานที่สามตัดปีติทิ้งไปเนือแต่สุขเอกัาตา ในหมายความจิตเข้าถึางฐานที่ฉมความ อ, าอิบอิงทุ่มเ ท, ม, ท, ม, ท, ม, ท ม, มันหายไปฤกษ์เป็นอกษ์สุขอย่างเดียวสุกจริงๆสุขมากเอก็ตายก็มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งแนบแน่นสมาธิทรงตัมากอาการทางร่างกายเรานั่งธรรมดาเรานอนธรรมดาแต่ยังรู้สึกเครียดมันก็ตึงเป็งแล้วใครก็จับมัดติดเสาจะมีการแบบนั้นแล้วก็เสียงภายนอกไอ้ทานที่หนึ่งที่สองนี่เสียงภายนอกชัด มาถึงชาลีสามเสียงภายนอกมันดังมากกว่าตาแต่เราที่ยิงจะยิงไม่มากนะักยังได้ยินอยู่แต่ยินไม่มากจิตทรงตัวแนบแตนมากอันนี้แปลงกายของชาสามต่อไปก็สําหรับลมหายใจเขาออกเราลืมบอกไปนะลมหายใจเขาออกในชาทีสามลมหายใจก็ออกที่เบามากแต่ก็ยังรู้สึกว่าหายใจเขา้า ใ, ใจออกจะเบาจาัด าชานที่สองก็เบาวไปหน่อยชานนที่หนึ่งยังหยากอยู่ต่อไปก็แปลกายเปนชานนทสีชานนี่สีนส่นี้ตัดสุขทิ้งไปเมตตาเอกก็ตายคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งกับอุเบกขาวางเฉยชานที่สี่นี้จะสังเกตได้ง่ายๆถ้าถ้าจิตใจเขาบุคคลใดเวลาใดเข้าถึงชานนที่สี่เวลานั้นจิตจะไม่รู้สึกทั้งลมหายใจเขาออก ลมเข้าลมออกแต่มันฟาดที่หร่างกายมัาหายใจแต่จะไม่รู้สึกว่าหายใจมีลมเป็นหนึ่งจังในยปร่งมากสว่างมากแต่ว่าจิตวางเฉยถ้าชานที่สี่อย่างหยากเสียงภายนอกอย่างเสีงยงก็ใหญ่เสีย ง, งดังมากๆอย่ีตั้ ง, งกใกล้ๆมีเสียงแว่วๆน้นอยๆอย่างหยา ก, ยากถ้าเป็นชาละเอียดเสียงกระยายเสียงดังจะจัดวังข้างหูก็มาดี หรือว่าประสาทกับจิตแยกกันเด็ขาดจิตไม่รับทราบเรื่องของประสาทร่างกายจะหนาวจะร้อนจะเย็นก็ตามจะเจ็บจะปวดไงก็ตามจิตไม่ยอมรับทราบคือจิตประสาทแยกกันเลยดะงนั้นการที่เขาจะไปนรกสวรรค์กันไปที่เหนือ่างก็าตามเ่ะต้องอจิตเข้าทังชาตสีพราจิตกับประสาทแยกกันเด็ขาดถ้าไม่แยกกันก็ไปไม่ได้วันนี้จะพูดเรื่องธรรมราจอาจจะยาวไปหน่อยแต่ก็จำเป็น กรอนความว่าวันนี้ขอแนะนําบรรดาญาโยมพุทธบริษัทในเรื่องของฌานเพราท่านบุคคลผู้ใดท้าปฏิบัติถึงฌานตอนนั้นนหลายจะมีโอกาสเหยียบย่ําเข้าเขตควบคุมได้ในการทําฌานได้ทรงตัวท่านอย่างไงก็ขอใช้วิธีง่ายๆถ้าว่าตามตำราเกินไปมันก็ยากถ้าญาโยมพุทธบริษัทอยู่บ้านขณะที่จะเรียเราฐานให้ขออยู่ต่อหน้าพระพุทรูป จะเป็นพระเสียอะไรก็ตามเป็นแก้วเป็นทองเป็นปูนที่เมงก็ตามไม่สําคัญสาคัญว่าภาพนั้นเป็นภาพพระพุทธรูปเพราะว่าเราใช้พุทธรูปเป็นนิมิตเราได้โอกาสสองอย่างให้เรากรรมฐานสองอย่างหนึ่งพุทธานุติกรรมฐานด้วยและได้สองกสิณด้วยพุทธานุติกรรมฐานเขาอนุภาพมากอริสงมากกสิณเขาอนุภาพมากอริสงมาก อันดับแร ก, กบรรดาแต่พุทธบริษัทลืมตาดูภาพพระพุทธรูปก่อนจําภาพประดี๋ยวว่าพุทธรูปองค์นี้มีภาพและรูปราาป่างลักษณะเป็นยังไงสีอะไรจําไว้สักประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับตาหลับตาจิตนึกถึงภาพพระพุทสรูปท่านจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรให้ได้ทั้งสองอย่าง ถ้าจะภาวนาว่าพุโทโธสัมมาหลังหรืออะไรก็ได้ถ้าจะไม่ภาวนาเลยรู้แค่ลมหายใจเขาออกและจิตจับภาพพุรูปอย่างนี้ก็ได้ข้อสำคัญก็มีว่าจิตต้องนึกถึงภาพรูปให้ชัดเจนแจ่มใสตานี้เห็นมาต่อไปไม่ช้าภาพจะเลือนจากใจเมื่อภาพเลือนจากใจก็ลืมตาดูใหม่จําภาพไว้จาได้หลับตาอีกหลับตานึกถึงภาพ วันแรกๆไตพระตาทําไปทําไปจะจิตเรื่องเครียดไปก็เรื่อเชือย่างนี้ไม่ชาภาพจะติดตาพ้าภาพจะจิตใจต่อไปทิ้งไว้ว่าไม่นั่งนัหน้าหน้าพุทธรูปเราเดินอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนก็ตามนึกถึงภาพพุทธรูปนั้นนึกได้ทันทีว่าภาพเป็อย่างนั้นจิตทรงตัวภาพทรงจิตตอนนี้ไม่จําภาพได้ขณะที่จําภาพพุทธรูปแต่ภาพเนี่จะจําทั้งมันไม่ได้แน่นอนนะ เอาเฉพาะเวลาที่เราต้องการเมื่อเราต้องการนึกถึงภาพพุทธรูปองค์นั้นให้นึกเห็นได้ทันทีทันใดแล้วก็ส่งตัวสักสองสามนาทีก็ดีแล้วตอนนี้ก็มาจะสังเกตว่ารวมถึงฌานตอนไหนกันอันนี้สังเกตง่ายๆวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆมบบยยยีขณะที่ท่านนั่งหน้ า, าพุทธรูปเลื่มตาดูภาพพระหลับตานึกถึงภาพพระภาวนาด้วยรู้ลมไายใจก็ออกด้วย แต่ว่าไม่ภาวนาก็ตามแต่รู้ไม่ใจเขาออกตอ้องรู้ตอนนี้ถ้ากําลังนึกอยู่เห็นภาพอยู่จิตนึกถึงภาพอยู่เสียงภายนอกเขาปุ่นตัวดีทะเลาะตัตามเสียงพธิธยุ ก, ก็ตามเสียงอะไรก็ตามเสียงกันดังกล้องชัดเมาในหูหูรับเสียงได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รําคาญในเสียงไปยินเสียงก็จริงแหละแต่ว่าไม่รําคาญในเสียงในเวลานั้น ขณะใดาที่ท่านนั่งไหลไม่รำคาญในเสียงเวลานั้นจิตก็ตั้นอยู่ในฌานที่หนึ่งอันนี้เป็นที่สังเกตนะทำได้หรือเจริญโรมทําได้ไหมฮการจริงการเข้าฌานนี่ไม่ยากถ้าอะไรตั้งการเข้าฌานจริงๆนะก็จริงยานอนหลักจะหลักตีเนี่ยเจริมกล่าว่าวันนี้หนักในหลังวิชาหน่อยอาจจะหนักใจไปนิด ขอให้จับอตอนท้ายเนะ่ว่าท่านหลายต้องการรู้อารมณ์ฌานฌานที่หนึ่งจะสังเกตได้ว่าเราจะภาวนาที่ว่าอย่างไรก็ตามทํากรรมฐายกองไหนก็ตามหูได้ยินเสียงแต่ไม่ดั่คาญในเสียงนี่เป็นฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่สองเวลานั้นจิตใจรุ่งเรือนแต่ว่าไม่มีคำภาวนาเอาแค่สองฌานก็พอไหมเนื่องฌานที่สี่เลย ฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจแต่ความจริงร่างกายหายใจไม่จะหยุดแต่เวลานั้นประสาทกะติกม้นแย่งกระเด็กขายหรือไม่รู้สึกว่าหายใจได้นเป็นชานิีสี่คร่องความวันนี้แนะนําบรรดาญาติโยมบริษัทเพื่อประจัยของผมจะไปไหมคุณจรรงไปความจริงการปฏิบัติกรรมาฐานเราหวังจริงๆกับ น, นิพพาน แต่ว่าทุกคนจะต้องคิดก่อนว่ากําลังเราจะพอนิพพานไหมต้องเผื่อไว้ก่อนเพราอว่าเราไปนิพพานไม่ได้แล้วก็พักแดนก็มถ้ากําลังพักแดนก็ไม่ไหวแล้วก็พักแดนสวรรค์ต้องพักให้ได้เดยสองแดนไม่แดนใดก็มีหมดดังนั้นขบันดาจะพม บ, บุรสัจจุญยาประมาทในการปฏิบัติได้ความดีอย่าคิดว่าเราจะเริญกรรมฐานแล้วเราทําบาปไม่บาปไม่ได้เลยใช่ไห กระบวนการในสองบาปจะทำน้อยไม่สามารถจะดึงนูดไปจะผุ่มได้อย่าไปคิดอย่างนั้นตั้งใจระแวงบาปไว้แล้วก็ตั้งใจไว้ทุกวันแต่เราต้องมีวันเวลาโดยเฉพาะอย่างนี้จะมาคิดว่าก่อนที่ท่านจะหลับนึกถึงภาพกะสักสองสามนาทีหลับตานอนแล้วแล้วก็ภาวนา น, นื่นขึงภาพรัถนนนกถ้าภาวนาตื่นขึ้ภาพรักจนหลับไปได้กวดี ถาเน้นเพงภาพละและภาวนาด้วยถึงหลับไปหลับกี่ชั่วโมงก็าถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาได้กําไรมากเนี่ยเมื่อถ้าตื่นใหม่ๆรู้ใจยังเป็นสุขสบายหายใจเปลีย่ยตอนนี้ก็จับกำโบร า, น, าน้นเพียงภาพละอย่างนี้บรรดาท่านผู้ศึกษจะไม่พลาดจากฌานและสมาธิถ้าจะถามว่าตอนกลางวันจิตมันพลาดจะสมาธิก็บอกว่าไม่เป็นไร ต่อไปถ้าอา ร, รามณชินพิรุวัตทรงในฌานจิตมีความช่ำชองในฌานตอนนี้ดั่บรรดาญาโยพุทธบริษัจขณะทํางานอยู่ก็ดีขณะเดินอยู่ก็ตามนั่งคุยก็ตามท่านนึกขึ้นมาอะไรภาพทัานปรากฏทันทีแล้วก็ต่อไปถ้าจำนานยริงทั้งทั้งที่คุยอยู่กับเพื่อนส น, น, นุกนั้นจิตทรงฌานได้ไม่กนะร้องแล้วก้องามว่าวันนี้เขาแนะนำบรรดาญาโยพุทธบริษัจ ยาเนึกว่าชาญโลกีเป็นของต่ำถ้าชาญโลกีไม่มีหรือวิวัฒนายาไม่มีกำลัง่ายกิเดชที่เป็นสมุจิตรบรหารตอนนี้ไปขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทุทตั้งใจสมาทาธกรรมฐานอันนี้คอจะไปในไหว